เ ร, ร เ, ร oui เรื่องของป่าไปคุณ <Lang> คิงครับเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่คุณคิงบอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นกับคนข้างห้องเก่าซึ่งคุณคิงเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับนะฮะเรื่องของการฉายซ้ําำก็อือผมต้องขอขอขออภัยต่อเจ้าของเรื่องก็คืออย่างเรื่องของป้าแมวเนี่ยเขามีมีเรื่องที่ว่าเราฝากกันเราแลกกันเล่าเรืสนุกจริงๆจะต้องเป็นอาทิตย์เนี้ยแต่ว่าพอดีเรื่องเนี้ย มันเข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเลียวคือมันเกิดขึ้นในขณะที่ผมจองว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ก็อยู่แต่ว่าผมไม่อยู่ก็ไม่อยู่<ส>เพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาประมาณครับหกปีได้แล้วมั้งครับอืหกปีจนมาถึงวันเนี้ยผมก็เพิ่งจะได้ยินอะไรจากเพื่อนคนนี้มาเป็นเรื่องประหลาดครับ<ส>ผมเริ่เมเลยแล้วกันแล้วพี่นะได้เลยครับก็คือในตอนนั้นเลยผมจะต้องไปทำฝ้าทำฝ้าให้กับ โรงงานที่หนึ่งซึ่งมันใช้เวลาวันเดียวก็เสร็จใช้เวลาวันเดียวก็เสร็จแต่ว่าเราต้องเข้าไปคุยเราว่าระบบโรงงานเขาเนี่ยเขาจะต้องมีการบอกว่าเออคุณเป็นช่างจากไหนอะไรมีการตอบสัมภาษณ์ว่าเขาต้องการช่างที่ที่ทําออกมาแล้วมันไม่ไม่เนียนอันตรายกับตัวช่างด้วยแล้วก็หลายหลเรื่องนะครับ mm hmm. เราก็ต้องไปอยู่ประมาณนักสามสี่วันหรืออาทิตย์หนึ่งครับท mm hmm. ีนี้พอผมไปผมก็เลยพยายามหาหาที่อยู่แถวๆนั้นที่เราจะเช่าแค่ประมาณ เดืนหนึ่งเพราะว่าเราเราเราไม่ต้องการอยู่ไปโรงแรมนะครับโรงแรมนี่คือหนึ่งมันมั น, ม, นมันหลายตังค์แต่ถ้าเราเอาบ้านเช่าไปเลยคือยอมเช่าเข้าไปเลยเดือนหนึ่งแต่เราอยู่แค่จริงจอาทิตย์หนึ่งเองประมาณนั้นก็ไปได้ห้องเนี้ยเพราะว่าเพื่อนผมเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วบ้านนี้จะเป็นบ้านแบบว่าแบ่งเข้าบ้านแบ่งเข้าตรงที่ว่าลักษณะของบ้านผมบอกพี่แจ็ ก, ก่อนมันจะเหมือนตัวยูก็คือเดินเข้าไปในบ้านปุ๊บเนี่ยแล้วจะมีทางขึ้นทางลงบันไดเนี่ยสองฝั่ง ื<ม>และตรงกลางที่อยู่ตรงกลางระหว่างทางขึ้นบันไดเนี่ยจะมีห้องน้งานํา<ม>อยู่ข้างล่างคือเป็นห้องน้ํารวมชื่อเปันห้องน้รวมก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบของบ้านถ้าใครอยู่บ้านหลังเนี้ยเ ข, าเข้าห้องน้ำที่ที่เดียวแหละอ<ม>แต่อันนี้เขามาทําแบบเป็นห้องเช่าแบ่งเป็นห้องเช่าเพราะว่าแต่ละห้องมันก็จะใหญ่แล้วมันจะมีอยู่ประมาณสามถึงสี่ห้องแค่นั้นถ้าผมจําไม่ผิดผมได้อยู่ห้องหนึ่งอือ<ม>่อเพื่อนบอกพันห้าอยู่ไปเลยแต่อยู่ให้เขาเปียงกนันได้หรือว่าไม่อยู่เขาเียงกันได้มันไม่ต้องเกีย ป, ประกันออื ผมเลยบ อ, อ, อเแค่สองสามวันแหละเราไปอยู่กับเพื่อนันนี้อคอลักษณะขการขึ้นกระไดไปเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะนิยมขึ้นทางฝั่งซ้งายกันแล้วพอลงก็ลงฝั่งขวาึือมันจะเป็นระบบของเราเองที่เราทำเองโดยที่เราโดยที่เราไม่ได้เก่งแล้วก็เขาไม่ได้เขียนบอกว่าขึ้นตรงไหนลงตรงไหนอะไรอย่งนี้ผมกับเพื่อนเนี่ยจะอยู่ห้องคือพอขึ้นบันไดไปปุ๊บจุดตรงกลางบันไดจะอยู่ทางขวามือครับ เดินพอเลี้ยวทางขวามือเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีห้องสองห้อาสามห้องอืเพื่อนผมจะอยู่ห้องตรงกลางแล้วผมอยู่ห้องทางริมไนสุดคือต้องเดินย้อนทางขวามือขึ้นมาหน่อยส่วนห้องตรงข้างกับเพื่อนผมเนี่ยจะเป็นห้องที่คุณลุงคนหนึงอยู่อจริงๆมันต้องเป็นกาแพงแต่ห้องนี้พูดง่ายว่าห้องเนี้ยมันลอยอยู่นอกตัวบ้านแล้วมันอยู่เหนือห้องน้ําที่อยู่ชั้นล่างพูดง่ายว่าเป็นห้องที่ตั้งอยู่บนห้องน้ำครับ เราก็ไม่เคยเข้าไปดูในห้องรู้เขาไงแต่เคยเห็นเขาสิ่งที่เขาจะทําอยู่ประจำประจำทุกวันก็คือผมจะต้องเจอเขาเวลาประมาณหกโมงเย็นเขาจะเดินขึ้นเดินลงสองฝั่งครือขึ้นเดินฝั่งนี้แล้วก็ลงฝั่งนี้แป่งมือแล้วเขาก็บอกว่าออกกำลังกายออกกำลังกายพูดแค่นี้แหละออือบอกไม่ต้องวิ่งไม่ต้องทําอะไรเดินที่นี่ยแหละเวลายี่สิบนาทีก็เต้นเหนื่อแล้วเดินขึ้นเดินลงคผมก็เลยอ๋อครับครับครับเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็แค่คนแก่ออกกำลังกายแล้วก็ ผมจะไปนั่งเล่นกับเพื่อนผมคือเพื่อนผมเนี่ยเขาจะดื่มทุกวันดื่มเบียร์แล้วเขาก็จะมเมาผมพ อ, อยิ่งผมไปอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะแบบกินกินไหนจะไม่ระวังตัวเลยกะว่าเมาในไรงผมก็ลากลับอยู่แนละ้วผมก็อย่างเงี้ยไปนั่งอะไรชวนผมมากินที่ห้องก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งเพื่อนอเพื่อนจะอ่าโอเคกปกติเขาก็ไม่ค่อยได้กินอะไรอยู่แนละ้ว อ, อะไรทุกวันทุกวันเนี่ยจะได้ยินเสียงป้าคนหนึ่งเวลาตังเคื่จะยินเสียงครับอีกแล้วนะอีกแล้วชอบ วุ้นายกัเด็กที่เขาเช่าบ้านเนี่ยนั่งเล่อเล่นวงเบงวงเ บ, บ, บงประมาณสองทุมแล้วบรรจากาศห้าห้องก็แล้วครับพี่แจ๊คบรรยากาศหน้าห้องคือไม่มีไฟมันเป็นบ้านที่จริงๆมันมีไฟแต่ว่าเราไม่เปิดเพราะว่ามันเราอยู่มันมีแค่เตห้องคือผมกับเพื่อนแล้วพูดง่ายๆว่าเราเช่าไปอย่างนั้นแหละความจริงผมก็นอน้องเพื่อนเพื่อนก็นอนห้องผมคือเราจะไม่อยู่สงห้องเต็มๆหรอกเช่าไปอย่างนั้นแต่เห็นเราเป็นเพื่อนกันแล้วให้เดี๋ยววันนี้คุเรานห้องมึงเฮ้ยคุนอนห้องมึงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนที่บ้างก็ เนแกล้วไม่พิู้เด็กคนนี้อะไรนักหนาครัเพ็นผมเพือนมเ่นเพื่อนื่อนเพื่อนเพื่อนเพ่อนเคยดูนเพืนี้นเพื่อนเพื่อนเือนเพื่้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ่อนเพือนเพื่อนเอนจะื่อนเพ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อนเ่อนเพ่อนเ่อนเ่อนเพ่อนเพื่อนเื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพอนเอนเพ่อนเพื่อนเพ่นเพืนพเอพพอเพอเอเ่อนเ่อน่อื่อเพื่อนือเพื่อนื่นเ่อเอน่อนเ่นเพืเลย่อนเพื่อน่ออ๋อถ้าื่อนเเพือ่อ เอ อ, อ่กมาวุ่นวายอะไรก็ได้เจ๋นะเมื่กงพยายามพูดว่าเขาไม่ได้วุ่นวายครับเขามาออกแล้เดินออกกาลังกายเฉยเขาไม่เคยไปทาอะไรเลป้า<ถ>จะให้แกอยู่ในห้องเดียวเป็นไปไม่ได้หรอกคนเร า, าอ่ะเออคิดอย่า ง, งั้นก็ดีแล้วลูกแต่สองทุ่มทุกวันจะมีเสียงอย่างเงี้ยตลอดอือใชไหมลูกวันจะเป็ น, น เ, เขาอยู่แว้นนอาอยู่ในห้องแล้วได้ยินเสียงว่าอยู่ในห้องแล้วเดี๋มันจะทุกๆุๆุกุกของก็วุ่นวายขึ้นมาแล้วก็ข้อประตูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้ง ก็จะมองหน้ากันเลยบางครั้งเพื่อนผมบอกว่าป้าเกโลกจิตผ ม, มเลยบอกเฮ้ยแกอาจจะเป็นอะไรเหตุผลมากกว่า น, นั้นที่เราไม่รู้ก็ได้นะ<ถ>เว้ยเหมือนเธต้องห้ามให้ลุงมาชุ่งกับเราทําไมเพื่อนบอกว่าญาจิตแน่นอนผมก็เออเอาใจคิดกันตามแต่จะสบายใจก็แล้วกันแล้วเพื่อนผมก็ยเล้ฟังว่าเขาเคยแอบดูคือประตูมันจะมีตาแมวครับที่ห้องเขาอ<ถ>อ่่ะา<ถ>เขาเคยแอบดูป้าคนเนี้ยแล้วตรงลานไอ้ตรงตรงช่วงเดินระหว่างบันไดจากสองนี้มันทีกฝั่งเนี่ยมันจะมืด ก็เขาไม่เปิดไฟกันแต่เปิดไฟจากก้างล่างก็จะเห็นเป็นทางเป็นไฟขึ้นมาตรงบันไดสองฝั่งอยู่แล้วครับข้างบนก็เลยปลิดมืดแหละแต่ก็จะมีแสงจันทร์รอดมะบายถ้าเป็นคืนเดินง่ายเขาได้ยินเสียงเขาเลยลุกขึ้นดูคือเขากุนกิดด้ววันนั้นอนะ่ะเหมือนกับว่ากำลังเคลียดเรื่องงานแล้วป้าแกวุ่นวายแต่ก็เลยมายืนดูเพื่อนผ ม, มนยืนดูตรงประตูดูว่าป้าเขาจะทำยั ง, ยงไงมันบอกไม่เห็นตัวป้าแนละ้วเพราะมันมืดมากไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่เห็นอะไรเลยอ แล้แลก็ยินเสียงไอ้ยุ่งอ ย, ored, อยู่ในห้องสองนู้นแหละเหมือนทะเลาะกันแหะไอ้ยุ่งๆแล้วผู้ชายก็จะพูดทางฝั่งผู้ชายจะพูดช้าๆแต่ทางฝั่งผู้หญิงมันจะเวอร์ไวเอาเวอร์ไวเอาเลยแล้วพลัชก็เห็นประตูห้องนู้นเปิดออืแล้วก็มีป้าคนจเดินวลงมาพอแกปิดประตูทุกอย่างมันก็อยู่ในความเงียบใช่ไหมครับครับแต่มันมีเสียงคนเดินเหมือนเดินมาตรงห้องมันซึ่งมันก็มองไม่เห็นว่าเป็นใครเพราะตาแมวมันมืดถ้าเปิดไฟข้างนอกจะเห็นไง แล้วยู่ดีก็มีเสียงแอบมหน้าประตูแล้วก็มีตามาแนบเหมือนมันแนบตรงตาเปแล้วมันก็สดุงงด้งเลยจินต์หน้ากับเฮ้ยตาเจะรู้เพราะว่าเราดูอยู่ออหรือเกดแค่สงสัยครับแต่ป้าขเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนาแล้วก็มีเสียงเดิน แ, แ, แ, แล้วก็ลงบันไดเดินเงียบไปออืทันนี้ผมเดินไปอยู่ชัว่วโมงวันนี้ผมได้เห็นลุงคนนี้เดินแล้วผมก็กลับอันนี้คือหลังจากนั้นผมก็กลับแล้วทำเป็นปกติแล้วก็ไม่เคยยุ่งกับเพื่อนคนนี้เลยจนมาเมื่อวันสองวันเนี้ยเขารไล่ผมบอกว่า อ่าเจ้าของบ้านหลังนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่อยู่เขาไปอยู่เมืองนอกอแล้วบางทีสี่ห้าปีถึงกลับมาททีหนึ่งนี่คือคนที่เฝ้าบ้านคนที่ดูแลบ้านนะเป็นคนพูดให้ฟังแล้วคนที่ดูแลบ้านเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะมาทุกๆสิ้นเดือนหรือบางทีก็จะไปรออยู่ข้างนอกอพอเพื่อนผมกลับมาเขาอาจจะเก็บบังเสิ่งละเงี้ยเพื่อนผมก็ให้ไปเพือ่อนผมก็แปลกใจหนูว่าแกไม่เคยมาดูแลที่บ้านเลยนะแต่บอกว่าเป็นคนดูแลบ้านอื เป็นเจ้าของบ้านฝากให้ดูแลให้เก็บเงินทุกๆเดือนแล้วก็เอาเข้าไว้พอเขามาทีก็จะให้เขาทีหนึง่งแต่นี่ก็ไม่ได้กลับมาตั้งนานแล้วบางทีไปเป็นสี่ห้าปีถึงมาทีบางทีเป็นห้าหกปีมาครั้งแหละอืเพราะว่าเขาอยู่ทางนู้นกันแล้วเหมือนจะแต่งงานอะไรกับกับชาวต่างชาติเนี้ยแหละจนในที่สุดเรื่องนี้ก็เกิดตรงที่ว่ามันวันที่เพื่อนผมจะต้องย้ายออกพรเจ้าของบ้าน ข, ของกลับมาเขาไม่ได้ไล่อะไรนะ เขาเดินกลับเข้ามาพี่คนนี้เขาบอกเดี๋ยวเจาของบ้านจะมาแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันเขาก็มาเก็บเอาลูกของคุณลุงคนนี้ซึ่งแขวนอยู่ข้างบนเหนือห้องน้ำเนี่ยเอาออกเอราะลูกของคุณลุงคนนี้แกจะขึ้นไปลงทุกวันจะอยู่เหนือห้องน้ำมมผมเลยว่าของสงสัยคงไม่ใช่เจ้าของบ้านจริงอเอาลูกมาถือมาแขวนมาเพราะเจ้า ข, ของบ้านแล้วก็มาข้างบนนี้เพื่อนบอกไม่ใช่เว้ยมันเป็นอย่างนี้คือพอเขามาเก็บของไว้ออกแล้วเขาก็บอกว่าอาถ้าเกิดว่าเขามาหรือว่ามีอะไรที่มัน บกพรองหรือว่าต้องซ่อมอะไรลองพูดกับเข้าได้เลยนะเพราะเขาไม่ได้มาบ้านเนี้ยก็ค่าหกปีแล้วส่วนพี่เองเนี่ยเป็นคนมาดูแลเฉยแล้วนนก็ลูกลุงข้างล่างเนี่ยพี่เอามาแขวนเพราะว่าออืคุณลุงพี่เขาเสียแล้พี่ก็ไม่รู้จะารูปไปแขวนที่ไหนก็เลยเอามาฝาวไว้ที่เนี่ท้องม่าจในบ้านพี่ถ้าแขวนไว้ลูกหลานที่กังวลว่าเป็นลูกขเขาทำเพื่อนผมก็เออคุณลุงเสียเสี ย, สยนนาหรื อ, อยังครับอ อ, อ, อเพราะว่าผมก็ไม่เห็นอยู่ประมาณห้าหกเดือนแล้วครับ เกี่ยวนี่ก็วะโอ้ยนานแล้วหลายปีอะโอ้โหเมื่อตอนแกกาเป็นคนตอนนี้แหละแล้วก็น้องโก่าน้องเปยย้ามาลายไปหนาแล้วครับพี่แอ๋อจะตายหนาแล้วนะครับแลวที่ผมจะเลื่อนเจออะเซอร์ไพรส์มากเลยนะเออคือผมก็เพ่อเจอกันอยู่สาวันผมอย่างนี้จริงาแกเดินจากันไดฝั่งแงะแล้วลงฝั่งแงะขึ้นฝั่งแงะลงฝั่งเนี้ยแกบอกออกหมดใจหมดใจแค่นี้ก็พอละออ คือก็เดิก็เดินหน่อยแกก็เดินหน่อยแกปกติทุกอย่างเป็นคนปกติทุกอย่างปกติครับนเรียนทุกวันเลยประมาณหกโงเยนทุกวันเลยครับครับแล้วก็เพื่อนผมก็เฮ้ยพี่พูดไปเล่นเขาบอกอ้าวพูดี่จะพูดเล่นทําไมแล้วเพื่อนผมก็้เล่าใหฟังว่าเนี่ยผมเจอเนี่ยจนเพื่อไม่เจอลงยามาหน้หเดือนแต่ผมก็ไม่ใส่ใจคิดว่าแกย้ายออกแต่ก็แกก็ต้องจะเป็นเจ้าของบ้านเพราะมีลูกแกติดอยู่จนพี่มาเอารูปบอกนี่แหละ บอกเฮ้ยงพี่ไม่เคยอยู่ที่นี่อ้าวอะไรอะไรห้องฝ่งตรงข้ามผมนะครับห้องฝ่าตรงข้ามคนเราตายไปเขาบของมนอยู่เนเนีืยห้องน้ำใครจะไปอยู่เหมือนร่วมจะตายเฮ้ยผมว่าเฮ้ผมฟังเรื่องผมบอกเนี่ยคุณกำลังเก็บของออกเนี่ยแล้วมันสะใสมากกว่านั้นเลยผมก็ถามอะไรอะผมก็ยิงผมแลก็น้ผมก็นลุกเลยรู้ไหม ป้าที่แกเว่อวานนะแกเป็นเมี่ยลุงเว้ย แ, แกเคย่าคุยกับกูได้ว่าถ้านลุงพูดไรเพอร์เจอร์อะไรี้สนใจนอ่ะเอ้ยแกตายก่อนหน้าลุงอีกเว้ยจริงเหรอครับเพื่อนผมบอกคะับด่้นขนตั้งเลยผม อ, ะ อ, อ่ะเหรออ่มันพูดเสร็จแล้วมันก็เก็บของผมก็แูบย่าป้าลุงกูก็เห็นลุงกับพ่อมไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ตอนนี้นเขาเก็บของออกแล้วแล้วกูรอเดี๋ยวคือรอรอบอกจะของาปรอกูจะย้ายออกแล้วกูไม่ต้องฟ้องอะไรแล้วคือกูไม่อยู่ แล้วตอ น, นมันจะนอนไหมเนี่ยเพื่อนบอกไม่นอนแล้วเดี๋ยวแกว่าจะนอนร่างกายทำไงอะแต่ว่าก็คือล็อกห้องอะไรปิดไว้เฉยแล้วก็ออกมาถึงบุ๊กก็เลยมาเล่ากับเพื่อนที่ทำโรงงานตรงนั้นด้วยกันออืพวกเพื่อนๆแล้วพวกป้าและแกเป็นคนจาะคนแกะนั่นแกบอกว่าป้ า, ปนนาบ้านนั้นมันไม่เคยมีคนตายนะครับ<อ>ไม่เคยมีแต่ว่ารูงที่ว่าเนี่ยตอนว่ารูา้จักอยู่แกเคยเป็นซอยในอยู่ในซอยนั้นแหละ เจะเป็นลุงของไอ้น้องคนที่ว่าเฝ้าบ้านนั้นใช่ไหมไอ้แกตายจริงตายนานแล้วแล้วไปเจอเขาได้ไงอะแล้วไม่เห็นมาเล่าให้ฟังเลยเพื่อนผมก็บอกเขาจะเล่าไงเขาคิดว่าเป็นคนธรรมดาครับผมไปเชาห้องทำไมผมต้องเเรื่อคนข้างห้องมาพูดให้คนในโรงงานฟังด้วยจนวันนี้เลยผมรู้แล้วมันไม่ใช่อออ่ืเพื่อนผมก็เลยใหญ่ออกแล้วเ่อผมบอกว่าพอพอก่อนที่มันจะใหญ่ออกวันหนึ่งพอมันรู้อะมันฝันว่ามันเดินออกมาจากประตูในความรู้ ที่ว่ามันเคยแอบมองตาหรตาแมวอะหันจะเป็นภาพเดิมเลยเสียงเด็กแอดแอดแอดมาในฝันเหวี่ยตัวมันเองอะกลัวแต่ในฝันมันเล่ยังไงไม่รู้มันบอกเปิดประตูออกไปเลย<ถ>ไฟในห้องก็สว่างออกไปข้างนอกไม่เห็นคนเลยนะอมันก็เลยเดินเดินไปหยุดที่หน้าห้องลุงแล้วหูแน่ไปยืนเสียงเๆกันเลยบอกแล้วไงว่าจะไปยุ่งกับเด็กเขาคือเขอยู่ไม่ได้แล้วทำยังไงลุงก็บอกก็เด็กมันเห็นเองจะให้ทํายังไงเราก็บอกยังไงว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งมาเจอหลายครั้งแล้วเนี่ย ลูกหลานมันถึงข้างหน้าไม่เอาลูกเขาในบ้านแล้วยังไม่รู้ตัวอีกแล้วพอมานได้ยินมันก็ดึงเอาหน้าออกพอหน้าออกในฟันนะพี่แจ๊คมันถห็นได้มองตรงมันใจข้างล่างอ่ะสองฝั่งคือฝั่งหนึ่งมีคุณป้ายืนอยู่อีกฝั่งหนึงคุณลุงยืนอยู่แล้วสองคนก็ยื้อขึ้นมันใจแิ๊บจิบขึ้นมาหามันองเงี้ยมันก็ต้องตื่นเลยโอ้โหโหน่ากลัวว่ะ ก็เลยบอกกูว่ากูนอนไม่ได้เลยวะต้อง<ม>ใส่ใจกูรู้เลยว่ากูรู้อะ<ม>ถึงว่ากูไม่เห็นแกมาสี่้าเดือนแต่กูไม่เคยสงสัยอะไรเพราะคิดว่าแกคงย้าออกไปข้างนอก<ม>ลูกหลานคงพาไปอยู่บ้านเพราะว่าลูกแกงติดอยู่ในห้องน้าเลยจนวันที่เจ้าของบ้านจะมาแล้วพี่เขามารอเอาลูกผมของลูงเขาออกไปเนะโอ้โหประมาณนี้คร<ฮ>ับสัน้น<ฮ>ๆถือว่ามันเป็นเรื่องที่เดียวแล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ถามว่าผมถามว่าผมเหมือนจะอยู่หรือไม่มก็เหมือนจะอยู่เหมือนจะไม่อยู่ได้อไม่ก็เหมือนจะไม่อยู่อะแต่ผมผมยืนยันว่าแกเหมือนคน ที่เดินออกกําลังกายทุกวันใส uh ่ก huh. างเกงขาสั้นสีเขทากับเสื้อลายสกอ uh ็อ huh. ตแล้วก็จะถือถุงเข้ามันไก่ถูงหนึ่ง uh huh. เป็นแบบหอกระดาษเออทำอย่างนี้นทุกวันหกโ ม, มงเย็นสามปีวันนี้ผมไปอยู่นั่นตอนน้นผมพอจะเดาเรื่องออกได้นิดหน่อยว่าเอคุณลุงน่าจะไม่อยู่แล้วแต่ที่มาเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นอย่างที่เพื่อนของคุณคุณคิงพูดเลยว่าเฮ้ยมีเซอร์ไพรส์กว่านั้นว่าป้าแกแฟนลุงแต่ป้าแกตายไปก่อนลุงเลเบอะ เอองแรกผมก็ไม่เคยสงสัยคือคนเรานจะไปเช่าอ่ะแล้วพี่เข้ามาถึงเงี้ยมาคุยอ่ะว่าพี่ป้าคนนี้เป็นใครอ่ะเงี้ยมันไม่ใช่นิสัยเราอยู่แล้วนิสัยเราไม่ตามุดจีบอยู่แล้วไงถ้าเราเห็นเขาเป็นคนธรรดาถูกป้าเราถามทําไมจะไม่มีอะไรพิเศษนี่ถูกป้าใช่ครับห้าโอ้โหแล้วที่มึงคือคุณคิงเห็นคุณลุงชัดๆเลยครับ ออเห็นพร้อมๆเห็นพ้อม ๆ, ๆกับเพื่อนด้วยเพราะว่าผมไปทําป้าให้โรงงานเขาแล้วแหละครับแล้วผมก็เดินออกมาพร้อมเขาทุกวันอืมครับแล้วก็กลับข้าห้องด้วยกันทุกวันแล้วผมบอกเพื่อนว่ามไม่ต้องไปกินที่อื่นแล้วเพราะวันแรกเราผมเห็นแล้วไงพอไปกินที่เหลี่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเมาจนถึงขนาดที่ว่าให้ผมลากกลับคือถือว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยแล้วไงผมก็เลยบอกไม่ต้องกินที่อื่นแล้วกินที่ห้องเลยนังกินเพื่อนอได้ไหมล่ะนานๆเพื่อนมาทีเนี่ยอยู่ไม่กี่วันเองนั่งกินที่ห้องได้ไหมอะเมื่อถามเนี้ยเพ ก็เลยกลับมาที่ห้องทุกเย็นทุกวันเหนนมือนกันนะครับอือโอ้ตอนแรกที่ผมฟังเรื่องนี้นะผมคิดว่าป้าเลี้ยงผีอ่า <c oughs> เลี้ยงผีคืออาจจะเห็นแบบคุยกับผีคุยกับอะไรอย่างเงี้ยแต่มาเซอร์ไพรส์คือเฮ<ช>้ยป้าเป็นเองเี่น่อน<ช>ันคือห้องฝั่งตรงข้ามที่เพื่อนอยู่เนี่ยมันเป็นห้องเก็บของห้องติดตายใช่ครับโอ้โหเพราะว่าที้ผพื่อยู่เนี่ยูดกับเพื่อนผมเขาบอกว่าเพื่อนผมบอกว่า พี่เ้าอกกัูว่ามันเป็นเ้องเก็บของเขายังพูดเลยว่าห้องห้องอยู่เนี่ยห้องน้ำใครมันจะไปอยู่ออกินล่าตัวอะไรมันก็ลอยขึ้นมาข้างบนหมดครับโอ้โหเป็นเรื่องสั้นๆนี่แบบฟังแล้วบอกเฮ้ยน่ากลัวแล้วอ่ะนี่คุณคุณคือ킹ออฟโกดจริงๆอ่ะโอ้โหขาอีเรื่องหนึ่งมาแต่ละเรื่องแบบโอ้เดี๋ยวผมตาสว่างเลยเมื่อกี้แบบนั่งๆั่งอยู่ง่วงมึนๆฟังเรื่องนี้แบบคิดแบบขนลุกตั้งเลยอ่ะ อผมฟังเพื่อนผมคงขาชาเลยแต่เพื่อนผมคนนี้ไม่รู้แล้วว่าผมคืออาชิงที่มาเล่าเรื่องผีอยู่เนี่ยผมก็ไม่เคยบอกแล้วเขาก็ผมว่าเขาก็ไม่เคยถามเพราะเ้าก็คงจะไม่เคยฟังเรื่องผีเพราปกติเพื่อนผมมันจะฟังแต่หวยอย่างเดียวเลยซิบหมตั้งนึ่งน้อยน้นไม่เคยฟังวิญยาณหรือไม่เคยฟังอะไรเลยออืเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเพื่อนเป็นอย่างไงคือผมเชื่อว่าเจตนาเขาเนี่ยไม่ได้มาเล่าเรื่องผีเพื่อให้ผมมาถ่ายทอดเหมือนโทรมาเล่าแบบเรื่องที่มาเจอเครื่องเป็นเงี้ยวเลยแล่าปกติอะ ผมก็ฟังว่าผมหาชาเลยเพราะผมเห็นรูปเขาทุกวันด้วยเห็นทุกเย็นโอ้แลยนะเพื่อนของคุณคิงสนุปแล้วเนี่ยอยู่ที่ห้องห้องนั้นเนี่ยได้นานขนาดไหนฮะก็ห้าหกปีครับคือเขาไปทำแต่ต้องบอกว่าที่ผมได้งานฟ้ารตรงนั้นเพราะว่าเพื่อนผมเขาไปทําโรงงานตรงนั้นแล้วเขาก็ค่อนข้างจะสนิทกับผู้จัดการไปโดยไวครับเพราะเพื่อนผมก็ได้ระยะสายดีแล้วเขาเป็นคนดื่มด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยครับ อันนี้พอบอกว่าฟ้ามันรูัว่วถ้าเกิดจะไปเอาผู้ละเหมาลารอื่นมาเขาก็จะเอาคิดแบบยังไงเท่ามันจะต้องใหญ่โตอ่ะมีใครที่จะพูดง่ายๆไม่ว่าที่เนี่ยเอานิดเดียวว่ต้องทางความจริงอย่างเงี้ยเพื่อนผมมันก็เลยเสนอชื่อผมเนี่ยเขาก็เลยเรียกให้ผมไปทําอืออันนี้ผมก็จะไปเข้าจะไปอยู่กับเพื่อนเราเงี่ยแต่เพื่อนบอกว่าเออปูแช้งเขาว่าปูอยู่คนเดียวอ่ะเขาฟังนข้าจะอยู่กันสงบถ้ามันจะอยู่ก็เข้าสิผม ก, ก็ดีเหมือนกันเพราะอยากหาห้องถ้าไปโรงแรมอ่ะคืนหนึ่งมัน ส <500, S 1> <ะ>ี่ห้าร้อยบางทีเราอาจจะสามเนอ่ยจะเป็นอาทิตย์ครับแต่ถ้าเกิดเราเสียอาทิเดียวไปเลยอืพันห้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้จะลาดยาวเป็นสองอาทิตย์ก็ได้ยังไม่ต้องกลัวเลยอือ้นั่ก็ไม่เป็นไรฉันเลยคิดว่าอเอาอย่างนั้นดีกว่าพันค้าก็พันห้าโอื้ <c oughs> แล้วก็ไปเจอไปเจอแบบแจ็คพอตแตกเข้าพอดีเลยนะฮะโอ้คุณคิงขอบคุณมากๆวันนี้มาทําให้อดิลลีนในร่างกายผมหลั่งแล้วฮะเออไม่ไม่เคยผิดหวังไม่เคยผิดหวังจริงๆ นะครับคุณคิงยังไงก็ขอบคุณนะครับที่อยู่กับ The ะโก้ตมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับแล้วก็กลายเป็นคิง o f ฟโก้ตนะครับแฟนคลับเยอะมากแฟนคลับเยอะมากนะฮะขอบคุณครับไม่ใช่ตอนนี้ก็ผมผมรูปภายก็ส่งไปแล้วอย่างทีพี่พเนาะก็ยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้เห็นเลยโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปดูในอินบ็อกซ์ทำแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังทําอันเนี้ยผมก็เลยผมส่งให้พิบัตต์แล้วเป็น งานปั้นเล็กๆ เ, เอาไว้จ็คคือเป็นรูปพี่แจ็คขับพี่บัตรอะกาอยู่ข้างหลังข้ <c oughs> างหน้าเป็สมโคแลวก็เป็นรูปคุณวิวีนอนใส่หน้ากากหน้าต้มนอนอยู่ข้างหน้า <c oughs> โอ้โขอบคุณมากเดี๋ยวยวคนดูเดวพีบัติไม่เอามาให้ดูเลยอะโอ้โเก็บเงียบเลยอะ แบบยัเป็นแบบจะเคลือบสีน้ำมันอยู่เลยครับเคลือบเคลือบแบบอยู่ก็นี้กำลังจะลงยางบอกยางอยู่โอ้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณคุณคิงด้วยนะครับยังไงก็เหมือนเดิมเมื่อคุณคิงดูแลรักษาสุขภาพด้วยอย่าโหมงานหนักนะครับนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยรับรองว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนแฟนรายการ The Ghost Radio อย่างแน่นอนวันนี้ไปคุยงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับคงจะในเร็ววันนี้นในปีนี้ มีแน่นอนนะเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งขอบคุณที่ใหญ่รายการแล้วก็าไปแจ้งหนุยไดไหมคอ่ามันยิ่งใหญ่กว่านั้นครับผมผมต้องเก็บเป็นความลับก่อนเก็บเป็นความลับก่อนนะเดี๋ยวบอรอเซอร์ไพรส์ทีเดียวเลยนะฮะคุณจิงเก่งเหรพี่แจ่มคนดีๆก็คงมีคนสนับสนุนอยู่แล้วครับโอ้ดีต้องบอกเลยว่าอ่าผู้ใหญ่ท่านนี้สนับสนุนจริงๆฮะคือท่านเห็นงานท่านเห็นงานแล้วแบบเอ้ยเอาเลยลุยเลยอะไรอย่างนี้นะครับครับได้เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีในยคุณจิง ครับคยังไงก็ติดตามอยู่ครับขอบคุณมากมากครับครับผมยังอยางครับพี่แจ็คสวัสดีครับ